เห็นรูปเหมือนสององค์เนะอืยเหมือนไหมแต่หลวงพ่อว่าดูดูดลวงปู่มั่นก็มันเหมือนแต่ไม่านั้นทีเดียวลงตาเหมือนกันแต่ว่าเหมือนที่สุดก็คือชื่อของท่านนะเหมือนเลยนะ <laughs> <laughs> ชื่อของท่านเนะ่ยไม่ผิดเพี้ยนเลยวงั้นเหมือนเลย แต่เป็นไม้มะค่านันี่นะไม้มะค่าที่ทหารกรรพอกลางมาขุดซาทั้งหลังวัดมันมีไม้จมน้ำอยู่ไม้จมดินมาผกพราเลยเอาแมกโค อ, อกขึ้นมามากดตรงพ่อคิดว่ามันเป็นท่อนไม้เฉยๆทิ้งไว้นะนะมาได้ครูบาเลยไปผ่าออกมาเลยนะ เป็นปูดมะข่าเลยท่เป็นโคนเง่ามะข่าได้หลวงตากับหลวงปู่มั่นช่างเขาเขามาขอแกะพระทางบัดท่านหลวงพอ่อจะให้เขาแกะเอ้ยแกะมันต้องให้เหมือนนะวะถ้า่าแกะไม่เหมือนจะทำยังไงพอแกะไม่เหมือนเสร็จแล้วจะไปทบไปทำลายทิ้งก็ไม่ได้เพราะมันแกะแล้วต้องเก็บรักษาไว้ ในเหมือนกับหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าลูกหลานเอี่ยจะแกะรูปหินอรูปหินถวายหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าเอ้ยถ้ามันแกะก็ให้มันเหมือนเรานะอทํามันแกะไม่เหมือนเราเลยอมันจะทํำยังไงครับผมจะให้เหมือนที่สุดครับปูเ่เออพอไปแกะมาเสร็จแล้วแต่นี้ มันอุ้มปมเหมือนกับกาปั้นเนีหมือนกันแตหลวงปูอ่อ้อยเหเหาขี้่เขบอกขี้ลายป น, นี่ดอกเห็ดเห็ดเหาขี้่โพดหลวงปู่ลาวะดูสิคอของเราก็ยาวอยู่แต่เนี่ยมนดูรูปไม่มีคอเลยเห็นไหมเนเอยหัวกับคอติดกันเลยนะเหตุอยงเห็ดเหาขี้ไรโพดเน่ย น, นะ แต่ว่าถ้าจะแกะก็ต้องแกะ ใ, ให้สวยงามให้ให้ถูกให้เหมือนเหมือนกับปั้นพระพระพุทธรูปเหมือนกันแต่การทาก็ทําสุดฝีมือใครสุดฝีมือเราน่อว่ะบางคนก็ปั้นขึ้นมาแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านสวยงามนะบุริษสาลักษณะมหาบริษสาลักษณะสวยงามที่สุดในบรรดามนุษย์ แต่พวกเรามาปั้นบางบางองค์พอเอตเหตุอาถา์แต่ดูๆแล้วก็มันไม่ใช่ส่งเสริมท่านเป็นการลดลดบริษัทลักษณะของท่านลงอีกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงกับศรัทธาอย่างว่านะว่าศรัทธาคือตัวเนี้ยอยากจะให้ทำให้ดีให้สวยให้งามให้เหมาะแต่มันก็สุดวิสัยมาพูดถึงเรื่องนี้แหละมา ขึ้คุณแม่ชีแก้วสมัยท่านไปอยู่ที่ภูเก้าด้วยกันกับโยมยากของหลวงพ่อนะมีแม่ชีลหลายคนพอตกกลางวันลงไปหาเห็ดไปหาเห็ดไปหาเก็บเห็ดไปหาหน่อไม้อยู่ตีนเขาพอไปเห็นไปเห็นเปน็ตีนเขาก็จะมีคลองแค่มีคลองมันไหลออกจากเขานะกับมีดินเหนียว มีดินเหนียวแต่กับไปพากันไปจับดินโอ้ดินมันเหนียวงามจริงๆนะแล้วก็มาทบๆพอทบจะมาปั้นพระบ้านะไม่ชีปั้นพระวนะไปไปด้วยกัน5 6เจ็ดคนมาก็มาปั้นเป็นลูกพระปันป้นๆคือมา ก, กัน oh. มีเสียนมีเกรดมีอะไร ه, ก็เหมือนกับผู้หญิงปั้ น, นเอางั้นแหละคิดสนุกขึ้นมากับปั้นพระพอปั้นเสร็จแล้วก็ไปไว้ในถา้าพอเสร็จแล้วก็ไปปั้นไว้ในถา้าเพราะมันอยู่ในตีนถา้าใช่ไหมของไครของเรากับองค์ใครองคเราก็กปั้นเสร็จแล้วอพอปั้นเสร็จแล้วก็ก็ไว้นั้นแหละแต่นี้ไม่รู้กี่สิบปีแต่ใน หลวงปู่สมชายวัดเขาสุ ก, กิมท่านก็มาอยู่ที่ภูเก้าพอมาอยู่ที่นี่นี่นนนตรงนั้ น, นมีงูกระปะมีกูกระปะกัดพร ะ, ะกัดพราท่านโอ้ส่วนรบวนวุ่นวายพอชองควรพอมาต่อมาอีกปีสองพันสี่รอยเก้าสิบเก้าเกือบปีสองพันห้ารอยหลงปูลง่ลา ออกจากบ้านห้วยทรายกับหลวงตามหาบัวนะท่านก็ไปอยู่ที่ภูก้าต่อยท่านก็ไปอยู่ในถ้ำนะอยู่ข้างบนภูก้ามันสูงเนะเป็นเหมือนกระแท่งหินนะท่านก็อยู่ในชั้นหนึ่งท่านก็ไปเดินจน ก, กลมตรงนี้แหละตรงตรงที่งูกัดพระนะพอไปเห็นงูกปะปะตอนนั้นโอ้โหมันดุเดือดเหลือเกิน มันหางมันมันตีกระเพือยหัวมันคล้ายๆแับมันจะกัดท่านก็เขี่ยหนีพอเขี่ยนี้ก็มังเห็นอีกเขี่ยหนี้อีกสองสามครั้งเอ๊ะมันจะมีอะไรข้างล่างหรือเปล่าน้าท่านก็เลยปีนลงไปข้างล่างพอไปมันมันเป็นหินชั้นชั้นข้างล่างมันเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเล็ก ที่ไหนได้พระพุทธรูปคุณแม่ชีแก้วกับแม่ชีน่ะไปปั้นไว้เต็มเป็นสิบองค์กันเถอะอยู่ในนั้นเนี่ยดูๆแล้วก็ลูกเมเยมายาวเลมเหมือนหน้าพระไปเหมือนหน้าพระผังแต่ก็มีมีลูกพระเลยน่ะดูแล้วก็คือลูกพระพอมีมีมีเสียนมีอะไรมีพระโมลีอยู่ข้างบนดูๆกับเหมือนพระนั่นะ แต่ดูแล้วมันไม่งามเลยนะหลวงปู่เล่าโอ้เป็นเพราะอันนี้เองกัมัง้งเออเรายืนมันเดินจงกรมจริตใจมันทำไมมันมีอะไรมันทำไมจิตของเราจงไม่สงบมันทำไมมันไม่เหมือนมีอะไรไนงะเออพอเราไปเดินดูๆแล้วไปเดินอยู่บนเสียนพระมานท่านก็เลยอยู่องค์เดียวนะเอาผ้าอํา อาบน้ำของท่านเนี่ยเลใส่ผ้าองค์ไหนเล็กใส่สององค์สามองค์ขึ้นมาบนเขาเอามาไว้ทาที่สูงสูงท่าองค์ไหนใหญ่ท่านเขาองค์เอาองค์เดียวปีนขึ้นมาเอาจนหมดเอาเก็บมาไว้ข้างบนหมดแ ต, แต่บัตรนั้นหมาไอ้งูตัว น, นั้นที่มันดุดนะไม่มีเลยทมอยู่ แล้วก็ภาวนาก็อือดีได้รับความสงบเยเ็นอกเย็นใจไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันก็มีอะไรมันคลองขวางมันร้อนๆ้อนมันคลองขวางในใจนี่แหละท่านว่าทารงจะอยู่ในพระอยู่ข้างล่างทำไมอันนี้คือคือหลวงปู่ล่าท่านพูดนะนี่แหละเพราะนั้นอยังอย่างวัดของเราเห็นไหมไม่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างล่างแต่แทนพระไม่มี มีก็มีอยู่ข้างบน่ะขึ้นไปกราบไปไหว้ข้างบนวัดป่าวันตาดก็เหมือนกันนะแต่นี่คือมีรูปเหมือนรูปภาพรูปภาพภูก้อนเข้ามาให้อันนี้เราก็อติดไว้ที่ไหนติดไว้ไไข้างล่างนะแต่พระพุทธรูปจริงเราไว้ข้างบนรูปเหมือนมีพุทธปฏิมาหรือหั่นโตหมูโตมูปูชา เราจะไว้ข้างบนแต่วัดป่าวัดตาดก็เหมือนกันพวกเราไปเห็นไหมท่านจะไม่เอาไว้ข้างล่างมีแต่ห้องข้างบนแต่บางคนก็โขคิดเหมือนกันนะเอหลวงพอ่ออินไม่กราบพระหรือเปล่าทําไมไม่มีพระให้กราบพระประธานอยู่ข้างล่างทําไมไม่มีหลวงพ่อว่าอยู่ข้างบนขึ้นไปกราบได้ขึ้นไปเห็นยงเห็ น, เ ห, น, เ, หนเห็นอยู่ข้างบน พระต้องอยู่ข้างบนหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่ล่าก็ดีหลวงตามหาบัวก็ดีในห้องนอนของท่านจะไม่มีไม่มีพระไม่มีพระบูชาอยู่ในห้องนอนของท่านถ้าจะมีก็มีแต่รูปรูปถ่ายท่านเองรูปถ่ายของท่านมีรูปถ่ายรูปหนึ่งของหลวงตามหาบัวอยู่ในห้องนอนของท่านหลวงปู่ล่าน่มีอยู่ ห้องพระเขามาถวายพระเก่าพระท่านชอบพระหลวงปุร่านะอข่านก็นว่าชอบจริงเขาม่ใช่เขามาถวายเขาต้องจะทํายังไงท่านก็ทําหิ้ยงพระไว้แต่ไม่ให้หันพระมาหาท่านนอนนะท่านกาท่านกราบทั้งหลังพระว่าไงนนะอย่างหลวงพ่อนั่งอย่รกราบก็คือพระเนี่ยหันหันไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางฝาน่ยน ะ, ะแต่หลวงปุร่าเนะี่ย ท่านกราบอยู่ทางหลังหิ่งพระของท่านนะท่านบอกว่าไม่ได้หรอกพระอยู่ในห้องนอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นน่ยท่านมาให้มีพระนะคิดดูสิเวลาเรานอนเราปล่อยกับกิริยาไม่เคารพก็เพระพุทธโลกมันนั่งอยู่ข้างบนมองเราอยู่นมันไม่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนอนขวางหน้าพระไม่ได้อย่าไปอย่าไปทํา ภาวนามันจะไม่สงบได้จิตใจไม่สงบเพราะอะไรเพราะเรานั่งขวางหน้าพระนี่แหละอันนี้คือครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ท่านถือนะเวลาจะไปที่ใดก็ตามไปต่างถิ่นเขาจะจั ด, จดห้องนอนให้ท่านก็มีห้องพระแล้วก็ให้ท่านนอนตรงหน้าพระโอ้โหไม่ได้เด็ดขาดเลยลงตามหาบัวเน่ไม่ได้ หลวงปูล่าเลยท่านก็ไม่ค่อยไปไหนอยู่แล้วนะแต่หลวงตามหาบันะ์เนี่ยท่านไม่ได้ต้องออกต้องขยับคือขยับแทนพระไปอีกมุมหนึ่งล้วก็ท่านกิดมอนอนอีกขยับไปอีกมุมหนึ่งเอกอยู่คนละข้างกันท่านจะไม่ให้นอนขวางขวางหน้าพระพระพุทธปฏิมา น, ะนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านให้ความความเคารพนะอันนี้คือบอรมครูนะ เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงท่านจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ได้ท่านได้มาจากไหนความบริสุทธิ์จุดนั้นน่ะก็ได้มาจากบรมครูนะบรมครูคือพระพุทธเจ้าท่านจะให้ความเคารพอย่างสุดๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีธรรมเท่ า, าไหร่ยิ่งให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกเราฟังเอาไว้นะ พวกกูบาทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายอันนี้คือแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขนาดพระพุทธรูปอยู่ใต้ถ้าเดินยังกลมอยู่ข้างบนหลวงปู่หล่าย่าไปขนขึ้นมาข้างบนไว้ทั้งหมดแต่ <c oughs> หมายคุณแม่แก้วไปเป็นเป็นชีไปปั้นพระดินเหนียวอยู่ไว้ข้างล่างนะ <c oughs> อย่าคิดขึ้นมาคิดสนุกขึ้นมาแล้วไปปั้นต่างคนต่างปั้นกันพอปั้นเสร็จแล้วกันะ <c oughs> ก็ว่าใครก็ว่าฝีมือของใครของเราน่ะหัวเลาะกันนะพอว่าปั่นขึ้นมาเสร็จแล้วเอาไว้แต่ว่า น, นิ่นเหนียวอยู่ในถ้ำนะสี่น่ะเจ้าหักจะหล่นไปที่ไหนมันอยู่ในถ้ำนะแต่นีคกูบาอาจารย์ท่านก็ไปภาวนาไปเดินจงกรมภาวนาเอ๊ะทาไมใจจึงร้อนนะทําไมมันไม่สงบมันเพราะอะไรวะทําไมไปเดินจงกรมที่อื่นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้วะทําไมมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้น่ะและก็งู งูตัวนี้กระดุอีกต่างหากมันไม่น่าจะดุเรื่องขนาดในหูนะมันยังมีอะไรมาข้างล่างนะท่านก็เลยลงปีนลงไปดูนะไปเห็นพระพุทธรูปนะอันนี้หลวงปู่ล่าท่าน พ, พูดให้หลวงพ่อฟังสรุปแล้วก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเคารพในพุทธปฏิมาเคารพอย่างสุดสุดบ่หลุมมโครที่ได้อัดได้ทํามา ได้ทำคำสอนมาได้สมาธิได้สินสมาธิปัญญามาก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาไม่ได้มาจากผู้ใดใครเพราะนั้นเราก็ต้องพวกเราเป็นสาวกะต้องเคารพบรมครูวันนี้เป็นวันอั ง, องคารที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2559ั วันในเจ็ค่าเลยนะวันพุ่งในแปดค่านะคณะสัตยาญาติโยมนี่แหละวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปบัดนี้พวกเราทําอะไรอยู่อันนี้คือทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนพุทธบริษัทของพวกให้ทําประโยชน์คิดให้ดีทําให้ดีพูดให้ดีคิดให้คิดให้เกิดประโยชน์ทําก็ให้ทําให้เกิดประโยชน์พูดก็ให้พูดให้เกิดประโยชน์วันคืน เดือนปีล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเราทําอะไรอยู่นะให้พวกเราดูดูตัวเองเราทําอะไรเอาใครไอวะไอเราออกไปข้างนอกไปไอทํำไมอยู่ที่นี่รู้จักไหมเสียงไอตัวเองไม่ได้ยินแล้วหูกับปากอ่ะออกไปนั่งข้างนอกน่ะมันไอไอทไอําไมทามันไอก็ต้องออกไปสิ นี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพุทธะย้ําเตือนให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยพวกเรามองดูสิมาถึงปูนนี้แล้วขณะนี้แล้วเรื่องอะไรจะเป็นเครื่องอุ่นใจสําหรับเราอถ้าหากว่าเรา ไปในขณะนี้ร่โรยไปในขณะนี้เหมือนกับผู้ที่เขาร่โรยไปก่อนหน้านี้เป็นตัวอย่างมาอยู่แล้วเราเป็นที่อุนใจของเรามีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมออย่างน้อยก็เป็นผู้มีสินรักษาสิลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้ไม่ทำความชั่วเสียหายอะไรทั้งหมดถึงมานึกขึ้นมาเออ ถึงข้าพเจ้าเกิดมาในมนุษย์สโลกพื้นแผ่นดินไทยถึงข้าพเจ้าจะไม่ได้ทำคุณงามความดีอย่างอื่นข้าพเจ้าก็เป็นคนดีคนหนึ่งไม่ได้คิดเบียดเบียนไม่ได้คิดรังแกไม่ได้คิดทำความชั่วเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเหล่านี้เป็นต้นอย่างหลวงพ่อนะหลังหลวงพ่อเขาถ่ายรูปเมื่อวานวันก่อนที่หลวงพ่อไป ปลูกต้นไม้หลวงพ่อเกตคิดว่าปลูกต้นไม้แล้วกระจบมันที่ไหนได้มันลูกมันออกออกไปข้างนอกแต่หลวงพ่อก็บอกวันนี้นะทุกคนชอบไม้พืชก็อยากได้พืชไม้ประตูหน้าต่างก็ไม้อะไรก็ไม้แต่ไม่เคยคิดปลูกต้นไม้ทดแทนเลยเนี่ยพวกที่ใช้ไม้ทั้งหลายในโอปัญญิโกมองตัวเองไหม ข้าพเจ้าเกิดมาเนี่ยมีแต่ใช้ใช้ไม้เนข้าพเจ้าเคยปลูกไม้แทนไหมถ้าไม่ปลูกไม้แทนก็เออข้าพเจ้าจะลงทุนใครที่ไหนปลูกป่าข้าพเจ้าจะให้ทุนให้ทุนเพื่อไปปลูกป่ายังก็ยังดีอยู่นะอันนี้มีแต่ตัดป่ายอย่างเดียวมีแต่ใช้ไม้อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการปลูกทดแทนเลยหลวงพ่อวานั้น หลวงพ่อก็ได้นะี่ยนะให้พระเนตรของหลวงพ่อปลูกป่ารักษาป่าปลูกป่ า, าไว้ไม้ประดูมักข่าตะเคียนทองไม้สักนแต่หลวงพ่อปลูกมันเป็นไม้ตะเคียนทองกับไม้สั ก, ก, ไ, มสกไม้ประดูมับ้างแต่ตรงนั้นที่ตรงปลูกนะั่นคือหลวงตามาทําเขื่อนให้นะเขื่อนที่เป็นน้ําเรามองเห็นน้ําเป็นเขื่อน เป็นกําลังสร้างเขื่อนเพราะมันปีนะมันมันเขื่อนมันทะลุมันแตกหลวงพ่อเห็นทางวัดสร้างเขื่อนขึ้นมานน้น้ำก็จะท่วมแต่ท้องท้องนาเก่าของเขาะตรงนั้นเป็นท้องนาเก่าของเขาเขาหน่าจะเอายกท้องนาเก่ายกดินขึ้นมาจ้ะลงทุนสักหน่อยคงจะไหลแต่ไม่สักหน่อยหลายหมื่นนะสมัยนะั้นเราก็ยากจนอยู่ กระทุ่มเทลขุดดินขึ้นมาโอมาเป็นเด็กให้ท่านตุงนะเนี่ยเป็นคนเอาแมตโครกับแทสเตอร์มาจากบ้านสามเหลี่ยมสมัยนะนะั้นมาก็ยกแผ่นดินขึ้นมามาตรงนั้น่ะตรงที่เราปลูกนะนะั่นโอ้หลายไล่เหมือนกันนะคือยกให้มันสูงขึ้นมาจากนั้นเขาขัด ก, กั้นเขื่อนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพรจากนั้นขั้นเขื่อนเป็นน้ําท่วมเต็มไปหมดอย่างที่เราเห็นนะนะั่ะ จากนั้นก็ตรงนี้ก็เลยปลูกไม้ขึ้นมาจะไม้นะ้ำปักปลูกกก็ปลูปลแบบทิ้ ง, ง, ง, งๆคว่างๆปลูกไม่ได้ใส่ใจกับไม้สัก์เป็นเกิดทางห่างมันสู้ตอกเกือเขาเถาวันไม่ได้ตายกันแต่หลวงพ่อมาเห็นน่าจะปรับปลูกใหม่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาสะอะไรก็เลยให้ปรับแผ่นดินขึ้นมาผื้นแผ่นดินเอาเมกโนอะไรปรับ จากนั้นหลวงพ่อจงให้ไปปลูกแล้วหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออหลวงพ่อก็เลยเป็นถ้าหลวงพ่อไม่ไปมันก็เป็นหลวงพ่อเป็นกําลังใจในอํานาจบ้างเ อ, อดุบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอาโรคหลานช่วยกันปลูกผลไม้ละ ม, ละมือปลูกขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของสมบัติของใครหรอกเป็นสมบัติของแผ่นดินหลวงพ่อปลูกกปแอีกไม่กี่ปีหลวงพ่อก็เกือบจะไม่ได้ใช้ละไม้หมูเนี่ อาจจะตายก่อนเมื่อตายไปแล้วก็นนะั่นแหละให้คนอื่นอยู่เปื้องหลังอย่างน้อย ก, ก็เป็นให้นกให้กาเกาะก็ยังดีให้เป็นป่ารงพงไพ่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเมื่อปลูกขึ้นมาแล้วก็นนะั้นมีแต่โดยมากมีเด็ดทาลายทําลายป่าจะมากกว่าที่จะปลูกป่าขึ้นมาทดแทนหายาก บางคนก็ปลูกอยู่ข้าราชการประกาศเอาปีนี้ปลูกปลาเมืินไร่ปืนเมินกล้าบางทีแสนกล้าพอปลูกเสร็จแล้วก่อนถ่ายรูปขึ้นป้ายซะปลูกเพื่ออะไร เ, เพื่ออะไรเพื่อจังหวัดวันเกิดของจังหวัดแล้วก็ว่ากันไปพอปลูกเสร็จแล้วก็ไม่มีใครรักษาผลที่ทปีหน้ามาปลูกอีก ขึ้นปา่าเอกตรงเ่านั่นแหละมันจะใหญ่ได้ยังไงเพราะปลูกแล้วไม่รักษาป่านะมันไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะฟูดฟาดขึ้นมาแล้วไหมใช่นะต้องรักษานะอย่างน้อยตั้งสามปีใส่ใจไนะได้ายหญ้าตัดญาตตัดเครือเขาเท้าวันเนี่ยเพราะฉนั้ น, นปีนี้ที่หลวงพ่ อ, อให้ปลูกป่า แต่ก่อนก็ปลูกนะมันเต็มไปหมดแล้วแนหะแต่ว่าตรงนี้เป็นตรงที่ไม้ไผ่อยู่ในริมคลองนยะมันเกิดมาตั้งสามสี่สิบปีแต่ละกอไม่กอใหญ่ๆแต่ปีนี้ปีที่แล้วมันตายขุยสองปีมาแตายขุยตายขวีเร า, าจะทำํำยังไงก็เลยเอาแมคโครมาปรับไม้ไผ่ลองเห็นไหมมันก็ไม่มีถอนไม้เลยนะที่เราปลูกนี่แต่ไม้ไผ่อ่านั้นก็เลยไม้ไผ่ลงกนะับไม้ปลูกไม้จริงขึ้นนะา ปลูกปะดูมักข่าตะเคียนทองคือไม้ตระกูลของมานะันเกิดในป่านอะนายูงของเราก็คือไม้ยางไม้ตะเคียนทองไม้มักข่านะเป็นหลักนะเลี่ยอะไปลูกขึ้นมาเนะี่ยอย่าง ล, ลูกหลานได้เห็นเป็นการปลูกป่าเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่เพื่อของใครนะองวัดนี้ก็เป็นวัดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่วัดของโลกพออินแม้แต่น้อยเดียว ถ้าหลวงพ่ออินตายไปแล้วก็หลวงผู้อินก็ไม่ได้มอบพินกรรมให้กับผู้ใดอีกต่างหากสุดแท้แต่คณะสงฆ์จะปกครองกันต่อไปเป็นสมบัติของแผ่นดินเมื่อเรารักษาอยู่ในจุดนี้เราก็ต้องรักษารักษาป่ารงพงไพ่รักษาธรรมชาติเราจะเกิดจากธรรมชาติอย่าไปฆ่าธรรมชาติอย่าไปเบียดธรรมชาติอยู่ด้วยการกับธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ ตรงไหนที่มันว่างมันเปล่าลงเออเอาปลูกทดแทนขึ้นมาอย่างพวกเราท่านได้หลายเห็นไม้สักอยู่ในวัดของเราเป็นแสนต้นเนี่ยไม่ว่าเป็นหมื่นนะถ้าไม่เชื่อใครไม่เชื่อว่าจริงหรือเปล่ากเอาซื้อ อ, อ, อสมุดปกแข็งมาปกแข็งมาแล้วกันมาจดที่ละต้นละต้นก็ได้ละมานับๆดูไอ้หลวงพ่อพูดไม่จริงหรอก หลวงพ่อเป็นสักแสนสองแสนต้นผมว่าไม่ถึงเลยลองลองนับให้หลวงพ่อดูเถอหลวงพ่อจะได้พูดให้ถูกต่อไปนะแต่หลวงพ่อคิดว่าไม่ไม่น้อยเลยล่ะไม้สักในวัดของหลวงพ่อเนี่ยปัดูม้า่าตะเคียนทองปลูกเต็มไปหมดไม่ได้ปลูกเพื่อเป็นสินค้าอีกต่างหากปลูกไว้ในแผ่นดินต่อไปภายภาคหน้าให้เกิดประโยชน์อต่อลูกต่อหลานต่อชาติบ้านเบือง ต่อไปมันหาดูป่าได้ยากแลป่าในชุมชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยเนื้อที่เนื้อที่ของเราวัดของเราต้องพันกว่าไร่นะพันกว่าไร่เป็นของใครไม่ใช่หลวงพ่ออินนะเป็นสมบัติของทุกคนถ้าว่าใครมาบวชอยู่ที่นี่ถ้าหลวงพ่ออินตายไปองค์ที่มีอายุพรรษาก็จะเป็นชมพานต่อไปไม่ได้เลือกว่าใคร เมล็ดลูกว่าลูกหลานของใครนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นเป็นวัดของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราจะไปคิดไกล้ๆนะคิดมาปลูกมาปลูกเพื่อหลวงพ่อจะไปคิดตรงพ่อก็ปลูกมาเพื่อเพื่อใครก็ไม่ได้คิดอยู่ไปลูกมาเพื่อแผ่นดินเราเห็นไหมเราได้ใช้ไม้เราได้ใช้ไม้ ทำกติสร้างศาลาเราได้ปลูกไหมไม้เหล่านี้ไม่ได้ปลูกถ้าไม่ได้ปลูกมันเกิดขึ้นมาเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะมีคนโบราณเขาปลูกก็ได้เพราะว่าเฟื่องไหาอะไรมันเต็มไปหมดอยู่ในวัดของเรามันมีนะเพื่องโอ่งเฟื่องไหายเก่าแก่ไม่รู้ยุคสมัยไหนอันนี้คือวัดของเรามันมีอย่างไปทางนั้นไปทางป่ามะม่วงนะมี หินเฟื่องหินเฟื่องหายที่มันแตกแล้วก็แปลกมันไม่รู้ยุคไหนสมัยไหนนี่แหละคนโบราณเขามาอยู่ก่อนหน้ า, น, านี้อยู่แล้วคุณคนกลุ่มนั้นเขาอาจจะปลูกก็ได้ใครจะไปรู้แต่เอาเถอะถึงใครจะปลูกแล้วไม่ปลูกก็ตามเราเห็นคุณค่าเราเห็นคุณค่าของไม้ เราจะปลูกมันจะผิดไปที่ตรงไหนเราเห็นคุณค่าปลูกขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินเราจะไปเอากินเปรียบเขาอย่างเดียวไม่ได้อย่างหลวงพ่อถามออะ้ยผมไม่ปลูกลต้นตาลปลูกแล้วก็ไม่ได้กินลูกลูกตาละมันมีขนานเท่าไหร่อถ้าตายแล้วก็ยังไม่ได้กินต้นตาลลูกตาลหลวงพ่อก็ถามเอา เคยได้กินลูกตาลไหมเคยได้กินไหมเคยได้ลิ้มรสลูกลูกตาลไหมเคยเคยกินอยู่นใครเป็นคนปลูกไม่ทราบนั่นแหละคนโบราณเขาปลูกมาเราก็ได้กินทำให้เราไม่ปลูกให้คนลูกหลานของเราได้กินบ้างเราทำไมเห็นแก่ตัวมากนักมาถึงยุคของเราเราไม่ปลูกลูกหลานเขาจะได้กินอะไรเราก็ต้องเมื่อเราได้กินลูกตาลแล้วคนโบราณปลูกให้เราได้กิน มาถึงยุคเราแล้วก็ปลูกต่อให้ลูกหลานต่อไปภาคภาคหน้าได้กินมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้กินก็ไม่ปลูกเลยไม่น่าจะถูกนะฉะนั้นแปลว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปมีอะไรก็กินเข้าปากเข้าท้องตัวเองจบไม่มองไม่มองไกลไม่มองถึงอนาคตประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าเฉลยไม่ถูกนะ คิดตูให้ดีนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยวาพวกเราฟังๆดูนะหลวงพ่อนี่มองไกลนะคณะทายาตโยมลูกหลานนะหลวงพ่อจะมองว่านะถ้าต่อไปภายภาคหน้านะถ้าใครจะไปตายง่ายนะถ้าตายง่ายเลยจะไม่เห็นแ่ถ้าต่ออยู่ต่อไปสักสี่ห้าหกเจ็ดแปดร้อยปีเนะี่ยไม้ไม้ในวัดของเราเนะี่ยเป็นไม้ใหย่อยขึ้นมาแล้วนะต่อไปจะเป็น เขาเรียกอะไรเป็นมรดกโลกเขาว่ากันนะอืมที่ไหนที่แปลกๆเลยอย่างประเทศศรีลังกานะตรงพระเกี้ยวแก้วนะตรงนั้นเข า, ามีไม้ใหญ่มากเลยเป็นสวนประมาณที่ประมาณเจ็ดร้อยไร่ครับว่าที่ตรงนั้นนะ่ะที่ไม้มันเต็มไปหมดและมีแต่ไม้ใหญ่ๆเขาเลยจัดให้มเป็นมรมรดกมรดกโลก นี่ก็เหมือนกันถ้าใครไม่ตายหน้ายเลวัดของเราอาจจะเป็นหมอระดกโลกก็ได้ต้องไปภายภาคหน้านะเพราะว่าเรารักษาไม้ไว้มีกำแพงกันล้อมรอบไปอีกต่างหากอรักษาป่านะแต่ถ้าว่าแต่เราเดี๋ยวนี้มันปลูกถี่ไปเหมือนกันนะะผีก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าตัวไหนาตายกับตัวนัวนปป้นแปลว่าหมดกําลังอตัวที่ไม่มีกําลังมันก็ต้องใหญ่ขึ้นไป ควบคุมหมูควบคุมหมูอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือป่าวันนี้เลยพงพ่อได้พูดบรรยายเรื่องของป่าให้คณะัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะแต่ถึงยังไงก็ตามหลักของพุทธศาสนาพนะระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธนะิญาณป่าเนี่ยคือวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยของพระนะ ป่าเนี่เป็นมหาวิทยาลัยของพระนะในครั้งพุทธกาลลุขโมเตเซนสนังนซิซายปปั ช, ชาตัทธเตยวชีวังอุตสาโฮกรัรไนโยอติเลกัลาโภพนะเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วตั้งเจ้าต้องไปอยู่หาอยู่ในป่านะอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในที่สงบสงัดหลีกเล้นอยู่ในป่านะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วนะั่น ตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองที่เขาขายเสียงสนั่นวันไว้ให้พายบาทเข้าไปที่นั่นนะตรงนั้นเป็นที่สับ ป, ปะยะในไม่มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีแต่ไล่เข้าป่ารงพงไพรพวกนั้นที่หลวงพ่อพูดป่าเรื่องของป่ามันก็คงเข้ากันได้นะอคงจะไม่ผิดทีเดียวอที่ว่าหลวงพ่อมั่นใจว่าวถูกนะ่จึงพูดให้ลูกหลานฟัง พระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าทั้งหกปีไไม่ใช่ว่าท่านไปอยู่ในตลาดอยู่ในเมืองไม่ใช่นะเพราะพระพุธโเสด็์ไปอยู่ในป่าตามลำพังทั้งหกปีบำเพ็ญอยู่ในป่าบำเพ็ญทุกกกิริยาอีกอดประกายอาหารบงบำเพ็ญทุกอย่างอยู่ในป่าดงพงไพ่ทั้งหปีจากนั้นจึงได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษานะจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้แล้วนะพระองค์ก็ยังเห็นคุณค่าของป่าอยู่อบอบวชเข้ามากันธรรมการอยู่ต้องอยู่ในป่านะบินดิยาโลปโภชนังดิตายปปัชาตัทธเตยวชีวังอุตสาหโหกรณนโยอติเลกราโภนะบินดิยาโลปโภชนังก็คล้าเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วต้องบินธบาตเนะ่ บินทบาตเลี้ยงชีพอย่าเจ้าจะไปขี้เกียจขี้ค้านนะต้อตงบินธบาตเลี้ยงชีพนั่นะข้าวตกมาในบาทของเจ้าเท่าไรเท่านั้นละ่ะมีคุณค่าเพื่อเลี้ยงชีพของเจ้าเพื่อได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อบได้บาเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาหาทางพ้นทุก์นี่ยอันนี้ก็คืออาหารบินธบาตจากนั้นเราก็เมื่อเจ้าบิธบาตแล การที่อยู่อาศัยของเจ้านะลุกขโมยเสนาสนังเนะต่าจึงอยู่ในลุกขมลูล้มไม้ชายป่าชายเขาอยู่ในถ้มอยู่ในที่แจ้งลอมฟงังอยู่ในที่สงบสงัดนะอันนี้คือชีวิตของนักครบนักบวชเนะนี่ยพระพุทธเจ้ า, ยาสอนพระนะสอนให้สอนขึ้นไม้ด้ความมักน้อยสันโดษอยู่ตามธรรมชาตินะ ถ้าจะพูดดูแล้วนะที่หลวงพ่อพูดรอยพวกเราอยู่ตามให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่าไปรังแกอย่าไปเบียดเบียนธรรมชาติจนเกินไปถึงจะปรับปรุงกับปรับปรุงให้เหมาะสมพอสมควรเท่านั้นเองอย่าทำให้ธรรมชาติมันเสียหายมากเราทร้ายทำลายธรรมชาติให้เสียหายธรรมชาติะจะฆ่าพวกเราอีกเบียดเบียนเราอีก พอมันสมไม่สมปดูนกันในการเป็นอยู่นะะขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะพระเนรทุกองนะไปอยู่นะักสถานที่ใดนะที่หลุงพ่อพาปูป่านะปูเพื่ออะไรนะปูปูเพื่อทดแทนแผ่นดินนะที่เราได้พึ่งพาอาศัยมาเราขึ้นไปนอนขึ้นกุฏนะิกุฏิเป็นกุฏินะกุฏิดินใช่ไกุฏิไม้ไม้มาจากไหนไม้แค่นี้แหละ ไม้เหล่านี้แหละไม้โคตรไม้ล้มไม้อะไร เ, เราจะปลูกทดแทนหน่อยหนึ่งไม่ได้หรอเผื่อทดแทนที่เราได้ใช้ เ, เราได้อยู่ได้ใช้มันแล้วก็ทดแทนมันคืนขึ้นมาคืนให้แผ่นดินเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนคิดคิดอย่างหลวงพ่อคิดเนี่ยนะหลวงพ่อคิดว่าโลกทั้งโลกก็คงจะ อยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเย็นเป็นผ้าสุกนะแต่นี่มันโดยมากไปเป็นอย่างนั้นมีแต่ว่าค่าได้เปรียบคนอื่นข่าไปยอมเสียเปรียบใครใครอย่ามาลังแกลังแกข่านะต่างคนก็ต่างข้าันนะก็ต่างคงก็ต่างมีจักสีเหมือนกั น, นผนที่สูดกันนละ คอนเทาคอนไม้เทไม้ไม่มีใครลงใครโปรเนจุดนั่นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็นเกิดฉึกสงครามเข้ามาเลยเพราะความไม่ลงกันเรื่องกิเลสทั้งนั้นพวกเราเห็นหมาจะ ก, กัดกันเพราะเหตุไรเพราะกิเลสกิเลสของหมาถ้าต่างตัวต่างอยู่มันที่กว้างตกกว้างพื้นแผ่นดินแต่นี่ยเดินไปเสียดกันเข้าไปหญิงเขี่ยให้เอาไปมาเอากันดจริง พออะลรเพราะกิเลสไงกิเลสความโลภกิเลสความโกรธกิเลสความหลงลืมตัวคิดว่าตัวเองจะไม่ตายตายไม่เป็นจะอยู่โชวฟ้าดินสลายค่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินใหญ่ไรใหญ่ในแผ่นดินจริงๆทุกคนไปฝังไว้ในแผ่นดินทั้งหมดใหญ่จริงๆใหญ่ยู่ในแผ่นดินเพราะนั้นพวกเรานะที่พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟัง อย่าไปลืมตัวอย่าประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้นู่นน่ะอะภาวนาให้ไปตัดกิเลสเข้าสู่นิพพานอย่ามาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกถ้าเกิดขึ้นมาคราวหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นมากันเนี่ยออย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยแล้วก็ตายไปอีกกัเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นอย่างนี้แหละอเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้แหละ นั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเบื่อน่ายยามาเกิดอีกสิ่งที่ให้มาเกิดคืออะไรคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะเพระาะนั้นพระองค์จึงกําจัดก oh ิเลสราคะโทสะโมหะจากพระฐัยของพระองค์จากใจของพระองค์ใจบริสุทธิ์ท่านไม่มีกิเลสแล้วตัวที่ตัวเชื่อที่จะนําพามาเกิดไม่มีอีกแล้วท่านเกลยบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์หลุดพ้นอยู่อ่ะอาสวะ หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูนย์อย่างเชื้อกิเลสที่จะพานาให้เกิดนั้นท่านศูนกําจัดศูนออกไปแล้วเนะปล่าไปแล้วทุกนั้นไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ในหัวใจของท่านอีกแล้วนะมันศูนย์ออกไปศูนย์เปล่าศูนย์เชื้อนะ อัรับพรในตเ่น้นะลูกหลานนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดนอกประเด็นในประเด็นให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะ